เรียนธรรมะวันหนึ่งจะได้อิสระภาพนะมีความสุขมีอิสระภาพเป็นอิสระจริงๆคนในโลกนี้ไม่มีอิสระเป็นธาตุเรามีเจ้าหน่ายที่มองไม่เห็นอยู่คนหนึ่งสั่งงานเราทั้งวันเลยไม่มีให้หยุดพักเลยนะคือตันหาสั่งตลอดไปทำโน่นไปทำ น, น, ทำนี่ห้ามทำโน่อนห้ามทำนี่สั่งเราตลอดเวลาเลยมันเป็นเจ้าหน่ายที่ฉลาดถ้าสั่งแล้วเรายอมทำตามที่มันสั่งนะมันจะโยน ความสุขใหเรานิดหนึ่งเหมือนเลี้ยงสัตว์เลยเหมือนถูกเลี้ยงไว้เล่นละครสัตว์เราทำตามที่เขาสั่งนะเขายกเศษเนื้อใหชิ้นหนึ่งเวลาตันหาสั่งใหเราทำนู่นทำนี้เรายอมทำใหความสุขเรานิดหนึ่งแล้วก็สั่งงานใหม่เลยถ้าเราไม่ยอมทำตามที่มันสั่งนะหรือทำไม่สำเร็จมันลงโทษโยนความทุกข์ก้อนใหญ่ๆมาให้เวลาโยนความสุขมาให้นะก้อนเล็กนิดเดียวนะโยนความทุกขท์ทีหนึ่งก้อนโ ต, โต เราสั่งงานตลอดเวลาเลยไม่เคยให้เราได้พักเลยเราเป็นธาตุธาตุที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นธาตุไม่มีวันเป็นอิสระได้เลยเกิด<ส>เราเฉลียวใจนะรู้ทันทันหาเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะเท่ารู้เลยว่ามีเจ้าไหน่ายลึกลับเป็นธาตุที่รู้ว่าเป็นธาตุวันหนึ่งก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ความหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความเป็นธาตุนะหลุดพ้นจากกิเลส ต, ตัณหาหลุดพ้นจากความปรุงแตง่ง หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากรูปจากนามจากขันเจ้านายนี่ขังเราไว้ในขันขังอยู่ในกายในใจรู้สึกไหมไปไหนต้องเอาไปด้วยถูกขังอยู่ในกายในใจเนี่ยไปไหนไม่รอดหรอกแล้วมันก็สั่งงานทั้งวันสั่งงานทั้งคืนต้องลุกขึ้นสู้นะด้วยการรู้ทันตัณหาเกิดขึ้นในใจรู้ทันไปความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันไปเรื่องมันครอบงำใจไม่ได้ กิเลสตันหาทั้งหลายนั้นเหมือนผีนะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าผีกลัวแสงสว่างนี่เป็นความเห็นผิดน่ะแต่ว่าอนุโลมตามไปผีไม่กลัวอะไรความสว่างเพียงแต่ว่าตอนสว่างเราไม่กลัวผีแค่นั้นเองน่ะเราก็มาโทษว่าผีกลัวความสว่างเราอะกลัวความมืดต่างหากน่ะเราก็มาโทษว่าผีกลัวความสว่างโอ้ยมันหลอกตัวเองกิเลสเหมือนผีอะสมมติผีอย่างโลกโลกนะกลัวแสงสว่าง ความสติความสติความปัญญาสังเกตไหมพอสติรู้ทันแล้วใจสว่างขึ้นมาใจสว่างใจไม่มืดไม่หมัวกิเลสอยู่ไม่ได้ใจสว่างตัวเล็กตัวน้อยนะมันซ่อนอยู่ในจิตในใจไม่ได้ก็เกิดกระเจิงหนีไปหมดเราค่อยเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วเราจะเห็นนะเราถูกขังเอาไว้ใครภาวนาแล้วเห็นบ้างว่าถูกขังอยู่อยู่ในแคปซูลรู้สึกไหมอยู่ในเปลือกมีเปลือกหุ้มมีแคปซูล ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่ามันถูกขังเหมือนถูกอยู่ในหายกระเทียมอยู่ในหายประแดดแล้วท่านคนอีสานเทียบอย่างนั้นเราคนเมืองเราต้องรูส้เหมือนเราถูกขังไว้ในแคปซูลเป็นแคปซูลที่ใส่เป็นเยื่อที่บางแต่เหนียวที่สุดเลยทำไงก็ไม่ขาดตัวที่จะทำให้แคปซูลตัวนี้ขาดนั้นก็คืออริยมรรคเท่านั้นเองตัวอื่นทำขาดไม่ได้เลยเหนียวจริงจริงตัดทีเดียวก็ไม่ขาดนะตัดขาดชึบ ต่อกันทันทีเลยตัด อ, อีกชึบต่ออีกทิ้งนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเทียบคล้ายๆมีบ่อ น, น้ำแล้วมีแหน่เยอะๆรู้จักแหน่ไหมเขียวๆเล็กๆอยู่ในน้ำปิดผิวน้ำไม่หมดเลยมองไม่เห็นน้ำเหมาะเอาหินโตๆทุ่มลงไปตุ้มมันแหวกออกนะแป๊บเดียวมันเข้ามาปิดอีกแล้วทุ่มลูกที่สองตุ้มลงไปอีกลูกที่สามนะลูกที่สี่นี่ใหญ่มากตุ้มเดียวทับบ่อไปเลยเนาะ มันหายไปหมดเลยงั้นอริยมรรคต้องเกิดสี่หนนะถึงจะล้างกันได้สิ้นซากล้างอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มปกคลุมย้อมใจเราสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีนะพวกเราภาวนารู้หลักแล้วภาวนาไปเราจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละคนที่ตามรู้ตามเห็นนั้นก็มีมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้คนที่แหวกออกมาได้ที่เรียนกับหลวงพ่อยังไม่มีใครแหวกออกมาได้ มีแต่แหวกเป็นเคราวๆยังไม่แหวกแล้วขาดสะบั้ น, นยังไม่มีแต่พวกเราก็พักเพียรไปนะให้มันแหวกได้สักครั้งหนึ่งก็บุญละครั้งแรกแล้วจะเป็นพระโสดาบันหลังหารสังยอดไปอาสวะถูกทำลายไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เกิดอีกได้โสดาแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้นนอยไม่แปรอใบไม่แปรอใบด้วยการเกิดอีกแต่แปรอใบหลังจากเกิดแล้วได้ มันอย่างพระโสดาบันนะอย่างทุกข์อีกไม่เกิดในอบายแต่จิตนั่นแหละยัยางเวียนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็หลงคล้ายๆปูตุชนนั่นแหละนะงั้นยังวนเวียนอยู่เขาเรียกว่าอยัางรับอกุศลอยู่นะเรียกอะไรนะประวัติการใช่ไหมไม่ได้ประสสนที่การแต่ว่าเป็นประวัติการเกิดตามตามมาเป็นคนแล้วก็ยังเจอความทุกข์ได้อีก อย่างนา ง, นางวิสาขานะเป็นพระโสดาวันหนึ่งหลานสาวตายร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้ายังทุกข์อีกนะยังภาวนาไม่พอถ้าภาวนาพอไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันก็ไม่ยึดหลานหรอกนะก็ไม่ทุกข์เลยหลานตายก็ตายไปตัวเองก็ไม่ยึดตัวเองตัวเองจะตายก็ไม่ทุกข์นะฝึกไปเรื่อยเราเป็นอิสระมีความสุขนะคนที่เป็นอิสระมีความสุขคนที่ไม่เป็นอิสระก็ทุกข์ไปก่อนขอให้รู้ว่าเป็นธาตุไว้ก่อนเท่านั้นแหละ พอแล้วอย่านึกว่ากูเก่งนะกูไม่เก่งจริงหรอกกูเก่งกูไม่ทุกแล้วล่ะกูยังไม่เก่งอย่างที่คิดหรอกเงินภาคเปลี่ยนเขานะอย่าขี้เกียจอย่าขี้คลานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางรู้ทันมันไปจิตไม่ตั้งมั่นคือไหลไปไหลมาจิตไม่เป็นกลางคือยินดียินร้ายก็มีสตินี่แหละเป็นเครื่องมือรู้ทันมันไปด้วยเอง ถึงวันหนึ่งมันก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพอถึงคำว่าเป็นกลางเนี่ยจิตไม่ปรุงแต่งต่อแล้วจบรู้แล้วจบลงที่รู้ละสักว่ารู้สักว่าเห็นได้อย่างแท้จริงเนี่ยงั้นเราภาวนานะถามว่าภาวนาไปเพื่อวันหนึ่งใจเราจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นกลางกับสุขและทุกเป็นกลางกับดีและชั่วเป็นกลางกับความหยาบความละเอียดเป็นกลางกับภายในภายนอกเป็นกลางกับที่ใกล้ที่ไกลเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ไม่ได้ทำชั่วได้นะไม่ใช่เป็นกลางระหว่างดีกับชั่วแล้วทำชั่วได้คนทำชั่วได้เพราะกิเลสครอบงำเรามีสติอยู่ทำชั่วไม่ได้หรอกแต่ว่าชั่วมาก็รู้ดีมาก็รู้นะเป็นกลางไม่เกลียดมันหรอกพอ ร, รู้ทันมันก็สลายของมันไปเองตรงที่ใจเป็นกลางใจหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแตง่งเมื่อหมดความปรุงแตง่งแล้วจิตที่หมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงะจะเห็นนิพพานนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแตง่ง เราอย่าไปปรุงแต่งนิพพานขึ้นมานะเป็นน้อมใจให้ว่างๆแล้วบอกนิพพานนั้นนิพพานปลอมนิพพานจริงๆไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเต็มบริพูนอยู่อย่างนั้นเองไม่เคยเว่่าไม่เคยแหว่งเลยนะไม่มีเหตุให้เกิดเลยแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่คนไปรู้นิพพานตายนะตายได้เพราะเป็นขันหลวงพ่อเคยแต่งนิพพานมีคราวหนึ่งนะภาวนาตอนนั้นหลวงปู่เทพยังอยู่หลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้ว ภาวนาไปเราก็เห็นจิตมันไหลไปเคลื่อนเข้าไปเวลามันไปรู้อารมณ์มันจะเคลื่อนเข้าไปใส่อารมณ์นะเราก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันไอ้ทุกครั้งเวลามันจับผ้าไปแล้วบางทีก็ถอยออกมาก็มันจับตัวรู้อีกนะไม่จับอารมณ์ก็จับตัวรู้วันนี้ลองเล่นๆดูสักทีแต่ว่าให้มันไหลไปนะไหลไปพอมันจะไปแต่อารมณ์นะเราไม่เอาใจมันถอนขึ้นมานะไม่ได้ดึงนะใจมันถอยขึ้นเองถอยถอยถอยพอมันจะถอยเข้ามาหาตัวรู้นะไม่เอานะฮะ กลับเข้ากลับออกอย่างนี้นะเสร็จแล้วมันรวมลงตรงกลางรวมลงระหว่างจิตกับวัตถกุระหว่างรูปกับนามอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมฐานที่ประหลาดไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมภาวนาอย่างนี้นะถึงตรงนี้ปุ๊บจิตรวมลงไปนะโรคธาตุนี่หายไปเลยไม่มีโรคไม่มีกายไม่มีจิตความคิดเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนล้วนเลยเป็นธาตุรู้ล้วนล้วนเลยในขณะนั้นไม่มีเวลา ไม่รู้นะว่านานกี่ชั่วโมงกี่นาทีไม่รู้เพราะไม่มีเวลาไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีอะไระว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการเสแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเสักอย่างนี่ถ้าพูดสำนวนหลวงปู่ดุลเราก็ไปลองท่านดูไปถามท่านนะแต่รู้อย่างหนึ่งนะว่านี่เป็นสมถะยังเป็นสมถะอยู่เรื่องของสมาธิเรื่องกีฬาทางใจเรื่องของเล่นไม่ใช่ของจริงรู้อยู่ ไปบอกท่านท่านก็บอกว่าทำไปหน้าฝึกไปเล่นไปยุคนี้ไม่มีใครเล่นอย่างอันนี้แล้วท่านบอกไม่มีใครเล่นอย่างนี้แล้วไม่อยากบอกชื่อนะบอกชื่อมากก็ไม่ดีว่ามันคืออะไรไม่ไม่ไม่มีชื่อเขาแล้วกันให้สภาวะอันเนี้ยท่านบอกให้เล่นไปให้ชำนาญกลับเรียนท่านหลวงปู่ผมกลัวติดนะท่านบอกอย่า ก, กลัวถ้าติดแล้วอาตมาจะแก้ให้ ถ้าติดล่าจะมาจะแก้ให้โอ้เราสนุกสิอาจารย์ให้ท้ายเรา <c oughs> เล่นใหญ่เลยเล่นเล่นเล่นเล่นสบายวันหนึ่งไปนสัมมน า, าที่เชียงใหม่ราชการอ น, นิใสัยถาวรของราชการนะยากจนแต่ชอบกินเลี้ยง <c oughs> ตกค่ำนะก็ต้องกินเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาไปนอนโรงแรมพักโรงแรมเนี่ยกินเลี้ยงร้ลองเพลงกินเหล้าหลวงพ่อแม่เอาด้วยอ่ะ ไปถึงจังหวัดไหนเขาร้องเพลงกินเหล้านะเราหนีเข้าวัดตัวแข่งไปนี่วันนั้นหนีไปอยู่เชียงใหม่จะหนีไปไหนดีอ๋อหนีไปวัดสันติธรรมนี่แหละใกล้ที่สุดละเป็นวัดของหลวงปู่สิมอาจารย์ทองอินอยู่ที่นั่นไปคุยกับอาจารย์ทองอินดี ก, กว่านี่อาจารย์ทองอินเป็นพระาธาตุแล้วนะเอามาเป็นพระาธาตุเรียบร้อยแล้วไปคุยกับท่านนะไปหาท่านพอไปถึงหน้าวัดมืดตึ๊ดตึ๊ดเลยไม่มีไฟฟ้าสักดวงมืดมืดมืดมื ด, มดเปรี้ยวมากเลย เราก็เห็นอะไรมาตกคุ้มตกคุ้มอยู่หน้าวัดก็นึกว่าผีนะหรือเอาไม่ใช่พระมารออยู่มีพระนุ่มหนุ่มงงหนึ่งมารอก็เข้าไปไหว้ท่านถามอาจารย์ทองอินอยู่ไหมบอกอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์มาอาจารย์บุญจันทร์มาจากถ้ำผาพึ่งมาพักอยู่ที่นี่แหละไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยสิบอกไม่เอาเราไม่รู้จักเราดึกแล้วด้วยนะสองทุ่มกว่าแล้วมืดตื้อเลยอากาศก็หนาวจัดเลยเราไม่รู้จักท่านอยู่ๆเธอเลื้อเธอล่าไปกวนท่านนะ เดี๋ยวท่านดีดตกกุฏิมาจะว่าไงเราไม่รู้จักอ่ะไม่เอาไม่ไปไ ป, ไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะอยู่สักชั่วโมงออกมานะโอ้โหหนาวเยือกเลยพระนั้นยังมาดักอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินอีกนะยอดตื่นเลย、mm. ท่านก็บอกไปหน่อยหน้าไปหน่อยนะถ้าทางท่านชักกระวนกระวายแล้วเราทำท่าไม่ไปจริงเสร็จแล้วเราเสียไม่ได้แปลกเลยอยู่ๆก็มาเรียกเอาเรียกเอาเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ไปตามท่านไปนะขึ้นไป ไปทางหลังวัดนะขึ้นกระไดไปอยู่ชั้นสองอยู่องค์เดียวแหละกุฏิเป็นไม้ขึ้นไปถึงนั้นนึกว่าท่านอยู่ในห้องไม่อยู่หรอกท่านอยู่ที่ระเบียงระเบียงก็เล็กๆมีตังค์อยู่ตัวหนึ่งนะท่านนอนคลุมโป่งอยู่ท่านเป็นไข้นะไม่สบายมากเลยมาเชียงใหม่เนี่ยเพื่อจะมารักษามาหาหมอเขาขึ้นไปถึงนะท่านก็โผล่ออกมาเราก็มองไม่เห็นหน้าท่านหรอกนะมันมืดตื่นๆเลยเห็นตะคุ่มตะคุ่มนะแล้วกราบท่านชี้หน้าไงภาวนาไง เราก็เล่าให้ฟังนะเราไม่เอาผู้รู้ไม่เอาสิ่งที่ถูกรู้นะไม่เอาอะไรเลยท่านตะคอกเอาเฮ้ย <Hey, S 1> นิพพานอะไรมีเข้ามีออกดูเอาเลยนะไงเจ้าภาวนายัางไงนี่ถามเราอีกเราเนีง่ยก็อ๋อท่านฟังของเราไม่เข้าใจเว้ยไม่ไม่ใช่ ว, ยว่าท่านไม่รู้นะคิดว่าสัมเนียงอะไรเงี้ยเวลาคุยกับครูบาอาจารย์บางทีพูดฝังกันไม่ค่อยรู้เรื่องสัมเนียงไม่เหมือนกันเราก็เล่าซ้ำนะ คราวนี้ท่านดูดเสียงดังกว่าเก่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกพอได้ยินท่านดูทางที่สองนะใจหลุดเลยไม่เอาแล้วอันเนี้ยรู้แล้วมันไม่ใช่ถังนะทำก็ทำเล่นเท่านั้นเป็นของเล่นหลวงปู่เทศก็บอกว่าเล่นอะ่ะเพียงแต่เป็นของเล่นที่ไม่มีใครเขาเล่นแล้วนั่นเองรั่วกของเล่นนะใจไม่เอาแล้วทำอย่างนี้ก็ไม่นิพพานจริงถึงจะไปดูดูเห็นเหมือนนิพพานมันก็ไม่ใช่นิพพานมีเข้ามีออกอยู่ พอใจเราหลุดปุ๊บนะท่านหัวเราะเลยเสียงดังเลยนะฮ่าๆอย่างเงี้ยเนาะเสียงดังพอท่านหัวเราะเราก็ครื้นใจนะหัวเราะตามท่านนี่โดนท่านหลอกอีกแล้วหัวเราะกากเลยนะฮ่าๆแข่งกันนะอาจารย์กับลูกศิษย์พอหัวเราะปุ๊บท่านหยุดกึกเลยพอเราเห็นท่านหยุดนั้นเราก็หยุดใจเราก็นิ่งเลยนะหลุดจากอารมณ์ปุ๊บผัดเออใช้ได้ไปได้แล้วไปพอเรากราบท่านแล้วคล้อยหลังลงจาก กุฏิท่านนั้นพระหนุ่มนั่นแหละตามหลวงพ่อไปด้วยแล้วแอบพ่อไปอยู่ในห้องสององค์ออกมาหัวล้อ ก, กันใหญ่เลยเสร็จแล้วพระหนุ่มนะ่ะตามหลวงพ่อมามาหน้าวัดวัดมันเปลี่ยวนะท่านจะมารอส่งขึ้นสองแถวมาถึงท่านก็บอกเนี่ยอาจารย์บุญจันทร์นะท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วนะวันนี้เอาตัวมาให้ได้นะสั่งไว้อย่างนี้นะให้เราไม่รู้จักท่านนะสั่งให้เอาตัวไปให้ได้เลยอุตส่าห์แก้ให้เราใส่แก้ให้ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามเลย แก้ให้เลยโอ้โหอาจารย์บุญาาจันทร์น่าอัศจรรย์มากเลยท่านมรณะภาพก่อนหลวงพ่อบวชยังไปเผาศพท่านเลยตอนนั้นดังตรินนะขับรถพาไปไปเผาท่านอยู่แถวปักช่องท่านมาพักที่นี้เลยเผาทางนี้เลยไม่ได้กลับไปวัดท่านเผาไฟตั้งแต่ก่อนเราจะบวชนี่บวชมาแล้วสามพันสานะพอพ้นสามพันสามาแล้วเนี่ยวันหนึ่งลูกศิษย์ท่านมาเยอะเลยมาจากเชียงใหม่สิบกว่าคน บมาจากไหนมาจากเชียงใหม่ใครบอกให้มาตอนนั้นไม่ค่อยมีคนรู้จักเราเท่าไหร่บอกอาจารย์บุญจันทรย์สั่งไว้ให้มาวันนี้ปีนี้เดือนนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ที่นี้ที่นี้นะสั่งลูกศิษย์ก็มานะมาดูว่าอาจารย์สั่งแม่นไหมต้องการเท่านั้นแหละเวรแท้ๆเลยไม่รู้เจตนาลมของอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นไม่เจอกันอีกเลยเราหัวเราะเนาะบางทีเราก็เดรยังนี้เหมือนกันแหละ นิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกนะก็นั่งมาแล้ว เ, เห็นนิพพานแล้วออกมานิพพานหายของเกอเมื่อไรที่ใจพ้นจากตัณหานะใจหมดความอยากใจก็หมดความดิ้นรนปรุงแตง่งใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแตง่งไม่มีพบใจก็อยู่กับ น, นิพพานเห็นนิพพานนะงั้นเมื่อไรสิ้นตัณหาเมื่อนั้นก็เห็นนิพพานอยู่ที่เราทำอยัางไรอยางจะสิ้นตัณหาสิ้นเป็นคลาลพวกเราสิ้นเป็นคลาลใช่ไหม อยากไปดูหนังพอไปดูหนังก็สิ้นตัณหาแล้วหมดความอยากจะดูหนังและ้วไอ้นี่สิ้นตัณหาแบบชาวโลกคือสนองกิเลสสนองตัณหาไปอีกพวกหนึ่งสิ้นตัณหามึงอยากดูหนังแล้วกูไม่ดูมึงอยากดูหนั ง, ง, นงในจอกูจะดูหนังตะลุงน ะ, นะมึงอยากกินข้าวแล้วกูก็จะกินกว๋วยเตี๋ยวนี่สู้กับตัณหาไม่ได้เรื่องเหมือนกันแหละนะไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะสู้ได้สติ ตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันความอยากเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันมาหายเป็นคราวๆอันนี้ชักจะเข้าท่าแล้วแต่ถ้าจะถอนรากถอนโคนตัณหานะขาดแล้วขาดเลยขาดแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะล้างตัณหาขาดแล้วไม่เกิดอีกก็คือต้องทำลายอาวิชชาให้ได้ถ้ายังมีอวิชชาอยู่นะตัณหายังมีอีกถ้าทำลายอาวิชชาได้ตัณหาจะไม่มีอีกอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ ไม่รู้ทุกไม่รู้สมูท participar ไม่รู้นิ род ธไม่รู้ Jessica ลองกิดร became stupid through through 你วรว achsen ไม่รู้กิดต่อทุก descend to ธุกธุกธ thrillsy MonGive ไม่รู้อย semantic ไม่รู้อยัวทำยังไงการรู้ทุกธุก conservative отдικogle คืออะไรบอกไป ہے 6000 for peart ผู้กันน Columb บอกไปไรทีแล้วถ00 steps คือร ού ปกันนําเพราะเราไม่รู้แจ้งความจริงของรูปของนํานะเรียกว่าไม่รู้ทุก แต่ต้องรู้ด้วยปัญญารู้ความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามนั้นเป็นไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเรียกว่ารู้รูป ร, รู้นามรู้ทุกข์ถ้ายังไม่เห็นว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่ารู้ทุกข์จริงหรอกหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดไม่ใช่หาทางละนะทุกข์ให้รู้สมุตไทัยคือความอยากให้ละนิโรธคือนิพพานต้องทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญทำให้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดบ่อยๆต้องเกิดให้ได้สี่ครั้ง เกิดครั้งเดียวก็เรียกว่าเจริญขึ้นมาหน่อยหนึ่งเกิดสองทีก็เจริญมากขึ้นนะมักทำให้เจริญนะลองเจริญให้ได้สี่รอบงั้นรู้ทุกไปถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งเห็นความจริงว่ากายแก่ใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษหรอกนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้นั่งความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้ น, นไม่มีความอยากรู้ทุกแจ่มแจ้งนั่นก็จะละสมูทัยอัตโนมัติ งั้นการรู้ทุกนี่แหละจะทำให้กิจของอาริยาสัจสี่ทั้งสี่กิจเนี่ยทำเสร็จในทีเดียวเสร็จทีเดียวกันเลยนะรู้ทุกแจมแจ้งเมื่อไหร่ก็ล้าสมูตไทัยเมื่อนั้นล้าสมูตไทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิพพานแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเพราะนิพพานคือความสิ้นตัณหาสมูตไทัยคือตัวตัณหามันอยากขึ้นมาเพราะมันโง่อย่างอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้จิตใจเป็นสุขถ้าฉลาดพอมีปัญญาไม่เหมียววิชาจะรู้ว่ากายนี้คือทุกใจนี้คือทุก มันจะเป็นสุขไปไม่ได้มันคือตัวทุกข์ถ้าใจยอมรับตรงนี้นะใจเห็นตรงนี้เรียกว่ารู้ทุกข์แล้วความอยากให้มันสุขไม่มีแล้วเพราะรู้ว่ามันทุกข์ความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะรู้ว่ามันทุกข์ความอยากไม่มีใจก็ไม่ดิน้นใจหมดความดิ้นรนไม่สร้างภพอบสร้างชาตินะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานในขณะที่รู้ทุกข์จนล้าสมูทัยแจ้งนิโรธนีน่ขณะนั้นแหละเกิดอริยมรรคงั้นทุกสมูทัยนิโรธมรรคนะกิจสี่อย่างนี้นเราทำทีเดียวเลยทำเกิดขึ้นใน ก่อนที่มันจะเกิดขนาดเดียวนะเราก็คอยรู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเมื่อไหร่เห็นความจริงว่ามันตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์เราก็จะพ้นทุกข์ได้รู้ทุกข์แล้วพ้นทุกข์นะหนีทุกข์ไม่พ้นทุกข์หรอกเราจะหนีทุกข์ไปไหนก็กลายเป็นทุกข์อะหนีไปแล้วไม่เอากายไปด้วยเหรอนี่ไปแล้วไม่เอาใจไปด้วยเหรอใจเป็นทุกข์ไปไหนก็เอากายเอาใจไปเพราะฉะนั้นเราหนีทุกข์ไม่ได้นะหนีทุกข์ไม่ได้ท่านให้รู้ไม่ได้ให้หนีไม่ได้ให้ละ ให้ละอะไรให้ละความอยากซะทีแรกก็ละด้วยสตินะรู้ทันความอยากละไปเป็นคราวๆแต่ไปละด้วยปัญญานะเห็นแจ้งในกองทุกในรูปในนามคราวนี้ละเป็นสมุดเฉดเลยละแล้วไม่มีตัณหาเกิดขึ้นอีกแ ล, แล้วเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้ความสุขที่มหาศาลเลยความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งไม่ต้องกลัวนะว่าภาวนาแล้วโอ้เดี๋ยวหนูเป็นพระละหาันแล้วหนูต้องตายในเจ็ดวันอย่างเงี้ยโอ้พระละหันไม่กลัวตายหรอก เราไม่ตายหรอกไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ง่ายหรอกมีอยู่คราวนะ่ะอยู่กับหลวงปู่หลว ง, งปู่โดนพงเชษถามหลวงปู่หลวงปู่ครับคือเจ้าเล่อตอนนั้นเขาบวชอยู่นะเขาภาวนาดีด้วยแต่ว่าจะศึก อ, อยากศึกที่ศึกเพราะว่าพ่อแม่เขี่ยวเข็ยนให้ศึกแล้วอยากไปศึกก็ไปบอกหลวงปู่หลวงพ่อนั่งอยู่ด้วยนะเรานี่แหละเป็นคนเอาเกลังเกียงไป พ่อแม่ธุฟาก一個เอาอังเกิงขึ้น músαι และพ่อแม่ก็สึกฐาน Robin ลับอาสาให้สึกพระไปนั่งอยู่กันหลงกับหลงกิ iring าธุ ères รงกัติความปุ๊ больш например fls ฟ้าปุ๊กเป็นของคนกับหาท่านพ่อ maneuvering that Executiveères Beh พ่อก็อย่ Hans Ha's be warned ฟังเขานะคะครั้งที่สามยิยบไม่พูด비 anders inglés พ่อวาร immature นี่พ่อจาก Terra tells us that he will take practice พ่ออังจ์พ่อ ให้พูดนี่ก็อุบายหลวงปู่ครับเป็นคาราวาสเนี่ยทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมครับทำได้ในใจก็กระยิบนะทำได้เดี๋ยวเราก็ไปทำเอาหลวงปู่หันกลับมาใส่เลยไม่ได้พูดนะคิดด้วยความลำพองเดี๋ยวเราไปทำเอาหลวงปู่หันกลับมาเลยมันจะไม่ได้สิ <laughs> ไปหลอกถามท่านนะรวดกระ fluffy гораздоушки ่งนะท่านบอกได้อใจลําพองเสรจแล้ว acceptable สอนสุดป้ายต่อ慢慢อยู่ที่เองเวล الز ร่าว่างรู้จะทำไหนสงสุดประติศัย ر уп cor confiance กลับรู้คนลูก measurable ให้พระอนสกายต่อ duy ่ ồi นต่าจานรสกหามหฟงนนาเท่ง jamais หน้าพระ դ ที่การาร breatligen ต้องเตื oxygen ال โย้ถกแล้วขอเช imore Corner of St. มัน buff Scream รงโยกไปพระเบียมท่ que หลุ睥อาซะม <c oughs> ลืมกลายลืมใจหมดทั้งห้องเลยนะ <c oughs> หลวงปู่บอกว่าตำลาเขาว่าไว้อย่างนั้นนี่ท่านตอบดีนะความจริงตำลาบอกตายในวันเดียวนะวันนั้นแหละท่านบอกตำลาว่าไว้อย่างนั้นองค์เชิดก็ถามต่อแล้วที่ไม่ใช่ตำลาล่ะครับท่านบอกพระอราหันต์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนพระอราหันต์ไม่ใช่คารวาสไม่ใช่พระพระอราหันต์ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่แล้ว จะบวชหรือไม่บวชท่านก็เป็นพระอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจต้องสงเคราะห์โลกอะไรท่านก็นิยมนิพพานไปเลยเพราะว่าอยู่กับโลกเป็นฆราวาสอย่างนี้สมมติว่าคุณแต้มเป็นพระละหรันผู้หญิงอย่างนี้ไปไหนคนเขาก็ไม่เชื่อใช่หไหมเดี๋ยวเขาก็ดูถูกเดี๋ยวเขาก็ดา่าเดี๋ยวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกนิพพานซะดีกว่าคนอื่นเขาจะได้ไม่บาปสงเคราะห์มันอ่ะไม่มีธุระแล้วก็นิพพานไปถ้ายังไม่อยากยังมีธุระอยู่นะยังไม่นิพพานก็ไปบวชซะคนด่าน้อยหน่อย ถามว่ามีคนด่าไหมมีพระพุทธเจ้ามันยังด่าเลยทำไมนะนะพระอื่นๆทำไมมันจะด่าไม่ได้หลวงพ่อหาหนี้ทานมาเล่านะเพื่อหลวงพ่อจะได้ตรวจการบ้านน้อยๆหน่อยเวลาตรวจการบ้านแล้วใจจะขาด อ, อยากทราบว่าอย่างของผมนี่จะใช่วิธีดูจิตหรือจะใช่วิธีทำของคุณต้องรู้กายไปด้วยนะรู้กายไปด้วยใช่ไหมครับรู้กายไปด้วยจิตมันรักกายเยอะอยังถือว่ายังติดนิ่งอะไรพวกนี้ไหมครับติดนิดหน่อยแต่ว่า ติดแต่เปลือกนะข้างในเริ่มเคลื่อนแล้วก็คือยังเห็นว่ามันเคลื่อนอย่าประคอ ง, ยงคองย่าประคองอยู่ยใช่ไหมครับแตม่มันจะเคลื่อนอยู่แล้ว อ, อย่า ก, กดไว้ก็คือต้องปล่อยให้มันพลักขึ้นปล่อยแล้วตามดูมไม่ใช่ปล่อยตามยถ า, ากรรม ค, รคนทั่วไปที่เขาไม่ภาวนานเขาปล่อยนะแต่เขาปล่อยตามยถ า, ากรรมคือใจเขาทำงานตามกิเลสไปเรื่อยๆส่วนพวกเรานะปล่อยเหมือนกันให้ใจมันทำงานตามธรรมชาติแต่เรามีสติตามดูไป เพราะฉะนั้นก็ให้สวดมนต์อะไรพวกนี้ทุกวันทำไปสิสนะแล้ว<ห> ร, รู้สึกกายไปเรื่อ ย, ยๆหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูไปเรืเล่อยๆนะชอบเดินจงกรม อ, อ่ะถ้านั่งแล้วหลับอะ่ะแล้วต้องฝืนใจเดินไว้ก่อนอย่าหลับหลับนะไปนอนดีกว่ามาสักการหลวงพ่อค่ะ どう โมหะน้อยกว่าเมื่อเช้าค่ะแต่ว่ามันไม่ตั้งมั่นเออจะไปกดไว้ให้ดูออกไหมค่ะยังมีโมหะอยู่ดูใช้ได้ดีกว่าเมื่อวานด้วยคุณแต้มมีโมหะเหมือนกันค่ะหลวงพ่อก็เบากว่าเมื่อวานดูออกไหมมันมีแรงมากขึ้นดูออกไหมหลวงพ่อก็มีคำถามนิดนึงค่ะเอ่อความเป็นกลางที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าค่ะด้วยปัญญาเนี่ยเราต้องสะสมเหมือนกันใช่ไหมต้องสะสมนะเจริญสติไปนี่แหละทำสติปัฏฐานทำวิปัสนาไปนี่แหละ แล้วปัญญาที่เป็นกลางกับสังขารถึงจะเกิดขึ้นคือวิปัสสนาญาณตัวที่เก้าสังขารู้เบกขายานงั้นเรามีสติดูไปเรืว่อยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับดูไปเรืวด่อยๆไม่ใช่ห้ามเกิดห้ามดับในายนิษฐ์แกแล้วน ะ, อะว่าไป <c oughs> ว่าแกทีเดียวพูดไม่ออกเลย <c oughs> ยังสาวอา่อ <c oughs> แต่สาวน้อยหน่อย ยังโมหันแล้วก็โทรศาสตร์อยู่ตลอดเลยดีขึ้นนะช่วงนี้คะจิตใจค่อยสงบสันติมากขึ้นหน่อยเมื่อคืนนี้อึ่งอ่างมันร้องดังมากเรื่องของอึ่งอ่าง <c oughs> ใครจะไปอุดปากมันได้ <c oughs> ทีแรกแบบโ ม, ะมะโหมันด้วยค่ะฟุ้งซ่านแล้วส่งให้ลูกเห็นมากชายฟุ้งซ่านแล้วแล้วน้วองชายไปไหนอ่ะน้องชายตอนแรกจะมาอยู่ค่ะแต่ว่าติดเรียนก็เลยไม่ได้มาค่ะ ก็ตั้งมั่นกว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าเพิ่งตั้งมั่นได้เมื่อเช้านี้แต่แต่ไม่ถึงฐานดูออกไหมตอนนี้ไม่ถึงฐานเออตอนนี้ไม่ถึงฐานใช้ได้ค่ะอ่ะต่อไปเบอร์สามอ้าว่าไปเมื่อวานเดินจงกรมอะครับหลวงพอ่อเราก็ติดสมถะนะครับผมงใช่ครับยังไม่หลุดออกมาครับอย่าไปบังคับครั บ, รบไหนลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดู รู้สึกไหมใจเรากระดิ๊กระดิ๊กระดิกะด๊กระดิ๊รู้ทันลงไปเลยนะอย่าอย่าดัดแปลงให้มันผิดธรรมชาตินะรู้สึกไหมใจเราไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดานะกลับไปเป็นคนธรรมดาให้ได้นะถ้าจะเจริญวิปัสนาเนี่ยต้องกลับมาเป็นคนธรรมดาใจที่เราไปดัดแปลงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่แสดงความจริงให้ดูหรอกอ่ะทำสมาธิไป ทำให้เบาวันนั้นนะให้สบายวันนั้นหนักไปนิดนึงทำใจให้สบายวันนั้นอีกเนี่ยถ้าจะทำสมาธิทำอยู่แค่นี้นะอย่าลงลึกกว่านี้ลึกกว่า น, นี้ไม่ได้เรื่องลึกไปะเบอร์สามสิบสการ์พาร์จานค่ะก็ขอคำชี้แนะดูสภาวะกังวลนะคะคือเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วโยมจะเห็นความกังวลมันเคลือบอยู่บางๆมากเลยะคะ่ะ じてるにかくうやんポカティ、めでとうくらえ。ロチカカヨン、ヨンヘンヨンうん、タンポカティやか。タワー、パー、ロヘンヨンうんだ。マンゴヤンヘンファンガンウォン、ユレレレン、マンゴクル、ファンランカー。タニマンゴクル、マンウェイ、タマイ、ロトン、メヘンタン、ファンガンウォン、マンクル。タマンウォン、パジャンボワチーマンクル、ダピーラカナ、ティラドウァン。 よむかにごまんこう、レオマー、ジョンメン、メンマンサー、んか、ならやか。ティニーマンコ、ティマンコモー、ラン、バドアハ、ペンアティー、マントン、ディー、クン、クーガペタン、オカマンガイ、メンガディー、ティニー、パーマメン、メン、メン、メン、キンマー、シメンハ、ユー、テン、ザイ、ティー、カン、ザイ、ヨーマンガ、ミアレポッ、メン、ポッメン、 แล้วมันก็ผุดอะไรอีกดับด้วยความที่มันเร็วมากทีนี้โยมเกิดรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเห็นเหมือนความกังวลเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยมันคงไม่กังวลหรือเปล่าไม่กังวลเนาะตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกนะแต่อย่าจงใจดูนะอย่างพอเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันผุดขึ้นมันอยากเห็นใช่ไหมค่ะพอมันอยากเห็นมันจะกลายไปรอดูค่ะถ้ารอดูนี่ผิดละเพราะฉะนั้นเราก็เพราะจริงๆปกติโยมจะเห็นอย่างเห็นเห็นใจลอยจะเห็นข้างบน คือส่วนมากจะเห็นข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขุนใจหรือโกรธมันจะเห็นที่กลางใจยกเว้นครั้งนี้ที่มันเห็นพันนี่มันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ได้เร็วมนก็ดีมันก็อยากตรงนั้นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าจงใจไปดูเห็นไหมเรารู้แล้วว่ามันเกิดตรงนี้เองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดตรงนี้หมดเหรอคะนำมาทำทั้งหลายเกิดตรงนี้อย่างนี้เวลาที่พระอาจารย์บอกว่าให้ดูยอดยอดพระพุทธรูปจริงๆเนี่ยก็พุ่งจากกลางใจไปเหรอคะใช่คิดมาก <laughs> อย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติแล้ว อย่ากคิดเอานั่นก็คือให้ถ้าจะเห็นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่าจ้องไว้ที่กลางใจค่ะนะขอบคุณค่ะอย่าจ้องเอาไว้เห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรามันผุดขึ้นได้เองมันดับไปเองไม่มันสอนธรรมะเราอยู่นะข้อห้ามมีอันเดียวอย่าจ้องมันถ้าจ้องมันจะเหนี่ยมไม่มีอะไรโฟล์ให้ดูเลยอ่านสังเกตได้ไหมคะก็ดูเป็นคราวๆนะดูอย่าลืมมันไปนานแต่อย่าไปจ้องเอาไว้ค่ะ เมอแปดค่ะตอนนั้นดีคุณอะเมอแปดเมอแปดผอยเพิ่งมามาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เพิ่งจะฝึกค่ะขอกันบ้านอาจารย์ช่วยพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะจริงนะทำไหมทำค่ะทำนะ <laughs> ไปหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไปหากรรมฐ า, านมาสักอันหนึ่งจะพุดโทโธก็ได้จะ อ, อะไรก็ได้ เคยทำอะไรบ้างเปล่า <c ười> เคยนั่งสมาธิตามลมหายใจเราหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปไม่หายใจให้จิตนิ่งนะแต่หายใจแล้วรู้ทันใจหายใจไปแล้วจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วจิตวิ่งไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจแล้วเพ่งอยู่รู้ทันหายใจแล้วรู้ทันใจไปเรืย<ฆ>่อยๆไปลองตัวนี้นะ<ฆ>ลองดู<ฆ>เรา <ขอ S 1> ไป<ะ> ด, ดูจิตชำนาญมันก็เห็นได้ทั้งวันแล้วทุกวันก็ซ้อมหายใจไปแล้วก็ดูจิตไป ไม่ได้ให้นิ่งนะหยับให้นะไม่ได้ให้นิ่ง Перв bursting โขกโหก gardens ans เมรษการย์หลงพ้อคะ parfois ด, ดูจิตอยู่แต่ queen... หลงนาน demek มาก็คิดว่าดูกลายได้ชัดกว่า offer ณ atellite ก, ดกายไปสไม็เห็นจะมีส겠지만 susc� 를 let me provide material มีภัณฮาเลย꽃 odid อยากไ ด, แตดูให้เป็นพบคุณ실로ย twang ร่างกลายเป็นศุทธน์ entertaining เดี๋ว ogrresser ไม่ наказ80s คิดว่าพอดูออกค่ะน ะ, ะดูแบบนั้นนะไม่ใช่เพ่ยงกายแต่ของคุณมันจะชอบเพ่ยงกายมากกว่าดูกายถ้ารู้กายนะจะเห็นในร่างกายเหมือนคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นเลยยืนเดินนั่งนอนไปด้วยเหมือนดูคนอื่นอะแต่ถ้าเราไปเพ่ยงนะมันจะรู้สึกเข้าไปเกาะอยู่เข้าไปเกาะอยู่ที่ร่างกายของคุณอยัางเพ่ยงเยอะไปลองดูกายให้หลวงพ่อดูสิคิดว่ามันดูแรงไปหรือเปล่าคะใช่มันเข้าไปเพ่งกาย แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายเอาแค่นี้นะจับได้ไหมแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้ถึงความมีอยู่รู้ถึงความเคลื่อนไหวจำไว้นะแล้วไปทำเอาเบอร์แปดสิบเก้าอยู่ข้างหน้านี่วันนี้ทำไมเรียกเอียงข้างนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ค่อยเรียกเลย มัศการหนูพ่อหนาแน่นอ่ะว่าไปหนูมาจะให้หลวงพ่อดูว่าหนูจะดูกายดูจิตแล้วก็ให้หลวงพ่อดูอะไรก็ได้เพราะว่าที่ทำอยู่นะพอใช้ได้แล้วแล้วใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วให้หลวงพ่อพาดูสภาวะอย่างตอนนี้ใจมันกังวลอยู่ดูออกไหมใจไม่แช่มชื่นดูออกไหมใจมันดิ้นคลุกคลาดคลุกคลาดดูออกไหม ถ้าดูไม่ออกนะดูล่างกายไปอ๋อดูล่างกายเห็นไหมล่างกายพยักหน้าค่ะเห็นครับนั่นแหละของคุณดูกายไปดูกายนะคะบอกให้ดูจิตแต่อาจารย์ไม่เห็นสักอันเพราะฉะนั้นดูกายเอาค่ะขอบคุณค่ะเบอร์สามสิบเก้ากราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาปีหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะใช้แนวทางของพระอาจารย์นะครับเห็นไหมว่าใจเราเบาลงครับแต่ก่อนเราเพ่งแรงกว่านี้เยอะเลยครับเคยมาไหม เคยมาสามครั้งแล้วครับก็มีคำถาม อ, อยู่สามคำถามครับเป็นสามคำถามที่จะติดกับเรียนถามนะครับคือผมเป็นตัวผู้รู้กับผู้ผู้คิดนะครับถ้ามันดูมากๆไปมันกลายเป็นเพ่งผู้รู้ใช่ไหมครับใช่ใช่ห้ามเพ่งนะในกรณีที่สองนะครับก็คือว่าพอเราเรารู้กายรู้ใจมากๆขึ้นดูไตลักษ์นะครับพอไตลักษ์มัน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 ลักษณะเป็นกายมันสะท้านนะครับมันเป็นอาการอะไรครับก็ดีสินะมีปัญญาขึ้นมารู้ทันมันกายไงช่างมันเถอะบางองค์กายเราเบิดไปเลยอ๋อครับไม่เป็นไรครับก็ของคุณของคุณมีจุดอ่อนอันหนึ่งนะของคุณเนี่ยมันคิดเยอะไปอ๋อครับระมัดระวังตัวนี้หน่อยนะให้รู้เอาอย่าคิดเยอะครับกลับมาคือเจ็ดสิบสี่การน้ำมันการหลวงพ่อครับ มาหลังสุดเมื่อกุมภาพันธ์แล้วอาจารย์แนะนำว่ า, าผมมีอาการเพ่งอาจารย์เขาบอกให้ให้ให้รู้<ด>ไปตอนนี้ไม่ทราบว่าก็ดูออกไม่ละมันเบากว่าแต่ก่อนมันเบาลงครับเบาแล้วรู้สึกไหมมันสบายขึ้นใช่ครับแล้วเห็นไหมใจเราทำงานได้ทั้งวันถ้าเพ่งไม่ทำงานนะเพราะนิ่งๆครับดีที่ไม่เพ่งไปปล่อยให้มันอย่างนี้รู้สึกไหมจิตเบิกบานมันก็ปล่อยแล้วก็ดูปล่อยแล้วก็ดูจะดีกว่าเะนะี่ยนั่นแหละฝึกอย่างนั้นนะครับผมดี ของคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านที่ใสแว่นตานะสังเกตนิดหนึ่งสังเกตไหมความรับรู้ของเราเนี่ยกระจายอยู่รอบรอบมันไม่ทวนเข้ามาให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมันไม่ถึงฐานมันมันไปอยู่นอกๆดูออกไหมตอนนี้รู้สึกไหมมันโล่งๆมันสบายมันเพลินๆอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นทุกข์แล้วตอนนี้เห็นแต่สุขให้รู้ทันว่าใจมันไปนอกๆแล้วใจมันรู้ไปข้างนอก มันไม่ทวนเข้ามาดูตัวเองจะเดินปัญญาได้ต้องทวนเข้ามานะแต่อย่าดึงแค่รู้ว่ามันออกเดี๋ยวมันทวนเข้ามาเองแปดสิบสองอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้เออเป็นกลางมากขึ้นในช่วงหกเดือนนี้ค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวบางครั้งจะเห็นว่าไปคลุกกับกิเลสไปไหลรวมกันนะคะหลวงพ่อคิดว่าวันอย่างวันนี้รู้ชัดกว่าเมื่อวาน ต้องทำไงต่อไหมคะไม่ทำเราทำอย่างเดิมนี่ดูไปจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมอยู่ข้างนอกตลอดเลยใช่อยู่ข้างนอกตรงนี้ไม่ดีนะแค่รู้ว่าอยู่ข้างนอกอย่าไปพอใจกับมันแต่อย่าไปดึงคืนนะแค่รู้ว่ามันไปข้างนอกนี่เริ่มดึงแล้วอย่าไปดึงเป็นเพราะว่าวินัยไม่เพียงพอด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็คือขาดสมาธิขาดสมาธิขาดสมถะแต่ว่าสมถะ ทำยากนะต้องถึงฌานเดินถึงตั้งขึ้นถึงฐานคือเวลาที่หนูนั่งภาวนาเนี่ยพอถึกพอจิตสงบไปแปล๊บหนึ่งมันจะตัวยโยกค่ะคิดว่าตัวยโยกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อให้ดูจิตตาไปตัวโยกก็ส่วนของตัวนะจิตสงสัยว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัยกลับมาดูที่จิตเวลาที่ทำสมาธิแล้วเกิดนิมิตหรือเกิดอาการอะไรขึ้มาย้อนกลับมาที่จิตทุกอย่า ง, อยางหายไปหมด カウコウコウタンバーミータワーパーミューラーソウタムロインジャーチーンハーカレータウンエメアウンクリットンジョンクロムジョンヒロムフォンマークリットンジョンクロムジョンフォンマークリットンヘムンソカーンカップビーフ どう し, し, し て, し て, ていい も, もいい、て私はあなたが好きなのに、私はあなたが好きはははははははははははははははは マンガワ ー, ー、ミー、アライマカイポップ、マหรอก。<うん S 2> แต่ว่าพอรู้ตัวว่าเอ๊ยไม่ใช่ผีอ laughter ล่างกายก็กระดีกได้ grammatical คืะอล่างกายมันลับชีดมันตื่นมันแยกออกเห mesa pra having children seu นล่างกายนอนเป็น replied in that way と estate และเจ็ coment are …มันก็เห็นล่างกายนอน when living in a wild community สั่งให้กระดูกระดีกไม่ได้เอา comunshč มันลับอยู่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 พอแต่ว่าม、like、<eso> ันจะเลวกว่าครั้งแรกอะค่ะรู้สึกว่ากลัวกลัวปุ๊บมันก็ร่างกายมันเบาเบาเสร็จคราวนี้ก็ตื่นเลยอะค่ะจงหนูเนี่ยนะหาเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะไว้นะค่ะอาการที่เล่าๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลของสมาธิทั้งนั้นดังนั้นพยายามมีสติอยู่กับชีวิตประจำวันนี่แหละให้ใจมันเคลื่อนไหวนะอย่าไปกดให้มันนิ่งค่ะแต่ว่าหนูไม่ทราบว่าจะทำยังไงอะเราไปคุยกับคนเล่นบ้างไปทำกิจกรรมต่างๆ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 โอ้ดีอัดดูสภาวะไม่มีอะไรหรอกอ้าวว่าไปที่ผ่านมาโมหะเยอะมากค่ะแล้วจิตไม่ค่อยตั้งมัน่นใช่มันไม่มีแรงมาน ะ, ะ ท, ทำในรูปแบบไหมไปเดินจงกรมเดินแล้วจะมีแรงหรือไม่มีแรงก็ช่างมันเดินเล่นๆไปเรื่อยแล้วก็มันจะได้แรงเยอะเราก็จะเห็นว่าบางทีเจอเรื่องไม่ชอบเนี่ยจิตมันออกไปีอยู่ข้างนอกเลยมันหนี<ะ>มั น, น, ม น, นหนีรู้ไปนะไปเคลื่อนไหวไปเดินไหม ให้จิตใจอยู่กับเนื้อผ้าตัวแต่เนี้ยจิตมันลอยลอยหนีไปมันกลัวทุกข์อ่ะมันหนีร่างกายมันก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยก็จะเกิดทุกข์นั่นแหละนะกลับมาทกรู้สึกอยู่ <c oughs> นะในร่างกายอย่าให้ให้ไหลเจ้าออกไปให้างนอกกลับมาอยู่ที่กายไว้รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าให้เกินออกไปตอนนี้หนีออกไปแล้วไม่มีแรงมันไม่มีแรงด้วยแล้วมันกลัวทุกข์ด้วยก็เลยหนีไปไปนอนนิ่งๆอยู่ตัวเนี้ยสบาย みなさん、プロセスバイバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー ファクスがないパクトは、ロックチャイ、んングハイサイトラサフォン、ポンモカ、セカパウヘメラメメアウ、ファントコンホニー、ファンキンベンソンタウリカ、ネガン、レガメネ、レンコンコップウォンネジャイ、トンジンキーマラサイカバンカネクバデオ、トンカパイ、トウバ、メバンカ、ロックチャイ、ワニアちんのアンネイナ、トウカヨ チャイムンカップに入ってく る, る の, のる<ー>は、あな、はい、たはあ、はい、はあなたは、あなたは、あなたは、あなたがあなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあな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 ชีวิตนี้ผมจะปฏิบัติไม่เลิกแล้วครับการปฏิบัติของผมนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ระยะบูชาแก่พระอาจารย์ปาเมิดปาเมิดโชครับสาธุนะวุ้ยชอบที่สุดเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เอาอยัางอื่นมาถวายนะเพราะอย่างงั้นงั้นแหละแต่เอาการภาวนาถวายนี่ชอบมากเลยภาวนานะขอบคุณครับเราแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญนะพวกเราศึกษาธรรมะไว้วันเนี้ย ถ้าเราเข้าใจเมื่อไรนะเราก็คือผู้รักษาสืบทอดาศาสนาศาสนาต้องอยู่ในใจของคนที่องภาวนานะคนที่เข้าใจธรรมะกันทุกคนมีความสำคัญในตัวเองช่วยกันรักษานะช่วยศึกษาธรรมะตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็สืบทอดาศาสนาไปด้วยอ้าวเบอร์แปดสิบสี่เมื่อก่อนนะหลวงบุตรเทพบอกหลวงพ่อไปส่งกันบ้านนะเรื่องปฏิบัติลว้นลวนๆเลยไม่มีเรื่องอื่นเลยนะ ท่านบอกเลยถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อหลายๆคนนั้นท่านอายุถึงร้อยปีเลยมาฟังเราล่าเริงใจเนี่ยภาวนาอย่างนี้ล่าเริงใจกราบนำส้ำมศการหลวงพ่อค่ะได้ปฏิบัติมาประมาณสักสี่เดือนนะคะก็กลางคืนก็สวดมนตร์เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิดูลมหายใจ น, นะคะก็ได้สภาวะที่เห็น บ่อยๆก็คือความคิดนะคะ <Okay. S 2> ก็ได้ได้ทราบได้ได้มีความรู้สึกที่หลวงพ่อเคยพูดว่าจิตโปร่งโล่งเบาก็ช่วงที่รู้ว่าคิดไปนะคะจะมีจะมีใจสั่นนิดๆแล้วก็เป็นเป็นสภาวะที่มีความสุขมากทีนี้ก็มีรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยมีฉันทะ มีวิริยะแต่ไม่ทราบว่าถูกทางหรือเปล่าที่จะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะทำอีกนะทำถูกละทำไปความทุกข์มันจะตกหายค่ะค่อยฝึกแปดนะดีละแล้วก็นั่งสมาธิได้ใช่ไหมค่ะได้ได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสาธุค่ะรัปสการ์ครับหลวงพ่อก็คือตอนนี้ตามดูกายตามดูใจมาครับแล้วก็ที่เห็นตอนนี้คือเห็นกาย เห็นกายเป็นปึกเปลือกแล้วก็เหมือนมีเวทนาปะปะอยู่ตามตัวครับถูกต้องแล้วก็ไอ้ตรงกลางมันเหมือนไหวยิบยับยับแต่ว่าเออรู้สึกว่ามันตอบสนองต่อสิ่งเรารอบข้างมันลดลงครับมันเพ่งเพ่งไปไหมครับไม่เพ่งอ่ะดีนะอดทนเอานะทำไปไปเรื่อยๆนะไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่เกียจคร้านนะ S <S <S เดี๋ยวจะได้ของดีในชาตินี้แหละครับขอบคุณครับอ้าวร้อยเจ็ดสิบเอ็ดขอกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าค่ะมาเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกนั้นได้สอบอารมณว่ามีสมรถะอยู่นิดหนึ่งแต่ว่ากลับไปแก้ไขสามารถพิจารณาเข้าสู่วิปัสนาญาณได้นะคะ <S <S 2> <S 2> สามารถเบากายเบาใจแล้วก็ ระวางได้รู้ระวางเท่าทันอารมณ์ของตัวเองและนี้ว่ายอมเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นเจ้าค่ะเห็นไหมเวทนาไม่ใช่เราเห็นเจ้าค่ะเห็นไหมกุศลกุศลก็แปลกปลอมเข้ามาค่ะก็ได้รับรู้แล้วก็ระวางไปเรื่อยๆมันวางเองนะเราไม่ต้องละค่ะดูดูตัวรู้อย่างเดียวรู้ไปดูไปรู้ไปค่ะคราวนี้ก็มีอยู่นิดหนึ่งว่า ขณะที่อ่านหนังสือเนี่ยก็จะง่วงนอนบ่อยๆเป็นเพราะว่าสภาวะอันใดเจ้าคะโอ้โดยอายุเรานะเจ้าค่ะเหมือนเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็เป็นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะเรื่องธรรมดานะไม่ปฏิเสธมันค่ะรู้มันไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกทางแล้วใช่ไหมค่ะถูกนะคุณภาวนาเก่งนะค่ะแต่ว่าใจอ่ะใจมันเบาเกินไปนิดหนึ่งตอนเนี้ยค่ะรู้สึกไหม รู้สึกว่าใจเบาว่างสบายตัวนี้ไม่เอาค่ะนะตรงนี้มันจะทำให้เราติดในความสุขอย่างเดียวเจ้าค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ยอมเดินปัญญาต่อเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นให้รู้ทันว่าใจว่างใจเบาใจสบายเจ้าค่ะถ้ายินดีขึ้นมาจะต้องรีบรู้ทันความยินดีนี้นะเบาได้ว่างได้สบายได้แต่ยินดีขึ้นมาให้รู้ทันให้รู้เท่าทันอ่าถ้ารู้ไม่ทันความยินดีในความเบาความว่างความสบายจะติดในความเบาความว่างความสบายนี้ แล้วไม่เดินปัญญาละเจ้าค่ะระวังไว้อ、mm、ันเดียวได้อ่ะเบอร์ห้าสิบสามนวัตสการหลวงพ่อครับก็ช่วงนี้ภาวนาพยายามเดินเยอะขึ้นที่หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตไม่ถึงฐานก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยถึงฐานเหมือนกันใช่ได้นะดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ช่วงนี้เห็นทุกข์เยอะเยอะมากๆจนดีสิมันมันไม่เห็นมีสุขแล้วคุณหลวงพ่อสุขมันแว๊บแว๊บมันก็ ยังมีสุขแวบๆเนี่ยยังไม่เป็นพระอรหันต์นะใช่หมายถึงว่าสุขมันก็เกิดมันก็แวบเดี๋ยวมันก็ไปมันมันไม่ค่อยมีดีหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อช่วยสอนดูจิตไหลไปหน่อยอะครับตอนนี้ไหลมาที่หลวงพ่ออ๋อใช่ไหลไม่คิดใช่ครับเนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ารู้สึกดูจิตไหลไปมันดีเหมือนกันครับให้รู้น่าแต่อย่าดึงครับรู้ว่าไหลแต่ไม่ดึงครับสามเจ็ดแปดครับ โกรธไว้หรือเปล่าคะโกรธก็พังนี้รู้สึกรู้สึกไหมจิตสว่างหรือจิตมัวอันนี้เดาไม่ทราบค่ะจิตยังมัวจิตมีโมหะนะเหมือนรู้ได้มากขึ้นแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะไม่มันกดไว้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กดแล้วคือคือมันจิตมันจะฟุ้งซ่านเราไม่ชอบเราเลยไปกดเอาไว้ความฟุ้งซ่านนี่แหละคือตัวโมหะ แล้วถ้าสมมุติว่าโดย비� PopilsArt ถ้าเราเป็นคนที่ฟรงสั้นไหร่าหลายๆเลืองไปพร้อมๆกันนี้ให้ใหรู้อยังไงเดียวให้รู้ที่ใจที่ไม่อยากฟรงสรัาน<ะ>้น altet perlu ด Morris Journalist ให้รู้ธันจิตต์ต่างเราเอ ưỡ งถ้า<ะ>รู้สึกมั้ยใจมันชอบก ans な ica intsna sealt Apositiv Notice มัน runner by assuming5kans ชัยดฝ่ะใช่ไ운ล๓่ะเอนใช่ใช่ไม่หรอกหรอก<笑>นะงั้นทำอย่าง ygen ดีมั ดูมันเหมือนเราดูคนอื่นนะฝึกเห็นนี้บ่อยๆเดี๋ยวจะสบายทีหลังนะค่ะ อ, อ, อยากเกาะนะคะขอหลวงพ่อให้ช่วยดูว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราขยับกายแล้วรู้ว่าจิตไหลนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ่ะลองขยับไปขอบคุณค่ะเนี่ยจิตไหลแต่ไหลไปคิดขยับไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจิตต้องไหลายไปที่กายอย่างเดียวหรอกไหลไปในความคิดก็ได้ เริ่มเพ่งแล้วทราบไหมไปอัดเหมือนไปแล้วรู้เล่นๆรู้สบายๆรู้สืบยิ่งยิ่งขยับยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นไม่ได้นะสนแสดงว่ายิ่งขยับยิ่งเพ่งคำใจสบายลืมตาขึ้นมาหันไปข้างหลังยิ้มหวานหวานโบกมือก่อ น, น, นเห็นไหมโบกแล้วมันก็ไม่หลุดดูออกใช่ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้ตรงที่รู้ทันนี่แหละภาวนาไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่รู้ทันสภาวะนะ รู้ทันรู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้นแหละไม่ใช่ต้องดีต้องวิเศษอะไรหรอกดังนั้นการที่คุณเห็นสภาวะนี่คุณใช้ได้แล้วร้ อ, อยยี่สิบเอ็ดครับขอโอกาสครับก็ไม่ทราบว่าที่หลวงพ่อให้ไปแก้ตรงประคองตัวผู้รู้ไปครับผมกลับไปผมว่าผมคลายออกได้คลายออกแล้วแต่เพอคลายออกแล้วกิเลส ข, ขึ้นมาเยอะมากเลยครับ ยิ่งเราไปจับเอาไว้นานนะกิเลสยิ่งสะสมไว้นานเลยเป็นคิดออกเบีย้ยด้วยนะคิดเยอะเลยครับนานแหละไม่โกหกหรอกเรื่องจริงเพราะงั้นคนทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเก็บกดนะถ้าเพ่งไว้เนี่ยพอหยุดเมื่อไหร่นะกิเลสเล่นงานเลยอย่าตกใจเราทำตัวเป็นแค่คนดูเห็นว่าจิตมันมีกิเลสนะไม่ใช่เรามีกิเลสนะเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆ อ, อย่า ก, กังวลสิอย่า ก, กลัวรู้สึกไหมไม่ชอบเลยกิเลสเยอะเยอะมาก แม้ใจมันไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบรู้ไปด้วยความเป็นกลางที่ทำในรูปแบบก็เดินแล้วดูจิตไหลไปใช่ได้ใช่ได้ภาวนาดีขึ้นนะพร้อมครับร้อยสิบเจ็ดกลับหลวงพ่อครับจะรบกวนให้ช่วยดูของลูกสาวฮะคือเขาคนนี้ฮะไม่เห็นเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะเห็นได้ปลายนิ้วดูยากคือเขาเขา นั่งนับลูปกประคำแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นจิตวิ่งไปทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะต้องให้เขาทำยังไงต่อหรือเปล่าฮะมันเห็นจริงๆนะแล้วก็ต้องทำยังไงครับก็ <c oughs> แค่รู้ทันว่าจิตมันวิ่งไปแค่รู้ทันนะแล้วก็มานับประคำต่อแล้วเดี๋ยววิ่งอีกรู้อีกวิ่งอีกรู้อีกให้ให้เขาทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมทำได้ทำนับประคำไปนะใจวิ่งไปเราก็รู้เดี๋ยวมันนับอีกวิ่งอีกก็รู้อีกไม่ได้ห้ามน ะ, นะอย่าให้จิตไปเกาะ อ, อยู่ที่ลูกประคำก็แล้วกัน อายุกี่ขวบอะสิบ、uh, ขวบครับเลยใช้ได้แล้วนะเบอร์เจ็ดสิบห้าขอของพ่อนิดเดียวผมว่าผมยังขึ้นเขาอยู่หรือว่าลงเขาไปนะครับให้จะลงขึ้นเขาลงเขาทำไมล่ะไ ม, ไม่แน่ใจคือมันยังดูเหมือนวนๆอยู่เหมือนเดิมไหมหรือไม่แน่ใจว่ายังถูกทางอยู่วะฮะ <laughs> ยังถูกอยู่ยังถูกอยู่ครับคุณเจ็ดสิบห้าเวลาภาวนานะบางวันก็จเจริญบางวันมันก็เสื่อมเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกจเจริญอย่างเดียว คนสุดท้ายแล้วที่เหลือเตรียมดีใจไว้ท้อแท้ใจเต็มจิตแล้วอ่ะนวัต ก, การหลวงพ่อค่ะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะรู้สึกอยู่ดีจิตก็แบบเบื่อมา ก, กาเบื่อเบือ่อเบื่อแบบเบือ่อแล้วก็โมโหโด้วยเบื่อตัวนี้เป็นโทสะค่ะเ<ะ>บื่อแล้วก็โมโหมแล้วก็พิทาค่ะก็รู้สึกว่าเราแล้วมันพอมีความทุกข์เยอะๆค่ะมันจะจิตมันก็แบบเห็นเยอะแล้วก็มีแรงขึ้นมาค่ะ พอหลังจากอาทิตนั้นมันก็หายเบื่อมันก็กลายเป็นเหมือนมีความสุขอยู่ในช่วงหนึ่งแล้วแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือหลงไปกับโลกมากเลยค่ะมันเหมือนไม่รู้อะไรเลยค่ะมันแบบหลงโลกมากแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่ามันรู้นอกๆมันไม่ถึงฐานนะคะมันกระจายกระจายเราเราต้องสม่ำเสมอนะทุกวันแบ่งเวลาภาวนาสม่ำเสมอจะทำให้เราไม่หลงโลกนาน อย่างวันนี้เราไปหลงโลกมาแล้วเนี่ยจะให้จิตตั้งมั่นมันไม่ตั้งหรอกมันต้องใช้กรรมก่อนจะมองฟุ้งศาสไปก่อนรู้ไปนะคนที่นั่งข้างข้างก็ใช้ได้นะอ่าเชิญกับบ้าน